เทหิกาบรรดานโทสะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถินี่แลได้มีหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเธอมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นและเธอมีสาวใช้ชื่อกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดี ต่อมาสาวใช้ชื่อกาลีได้มีความคิดอย่างนี้ว่ากิติศัพท์อันงามของนายหญิงของเราขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าหลอนไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏ เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หลอนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แกล้งเตือนสายฝ่ายหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาได้ตะหวาดสาวใช้ชื่อกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าคะ่ะนายหญิงนางเวเทฮิกาถามว่าเฮ้ยทำไมจึงเตืนสาย นางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายแล้วกโกรธไม่พอใจทำหน้าหนิวคิ้วขมวดลำดับนั้นนางกาลีได้คิดว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในเท่านั้นไม่ใช่หลอนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หลอนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปต่อมานางกาลีก็เตือนสายกวาทุกวันครั้งนั้นหญิงแม่เรือนชื่อเวเทฮิกาก็ร้องตะวาดดา น, นางกาลีอีกว่าเฮ้ย hey, นางกาลีนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าคะนายหญิงนางเวเทฮิกาถามว่า เฮ้ย hey, ทำไมจึงตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายเล่าแล้วกโกรธไม่พอใจแผดเสียงด้วยความขุนเคืองลำดับนั้นนางกาลีได้คิดว่าหน้าหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในเท่านั้นไม่ใช่หลอนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หลอนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกต่อมานางกาลีก็เตื่นสายยิ่งกว่าทุกวันครั้งนั้นหญิงแม่เรือนชื่อเวเทฮิกาก็ร้องตาวาดดา น, นางกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีชาชั่วนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าค ok ่ะนายหญิงนางเวเฮิกาถามว่า เฮ้ยทำไมจึงตื่นสายนักนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายเล่าแล้วกโกรธจัดคว้าลิ่มประตูคว้างศรีรษะปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกคราวนั้นนางกาลีหัวแตกมีเลือดไหลโชกเที่ยวโพลธนาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าพ่อคุณแม่คุณทั้งหลาย ขอเชิญดูการกระทำของคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นเถิดนางโกรธไม่พอใจว่าตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูคว้างศรีรษะของสาวใช้คนหนึ่งปา ก, ก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นั้นมากิติศัพท์อันชั่วช้าของหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ขอจรไปอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นหญิงดุร้ายไม่เจียมตนใจร้อน แม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เรียบร้อยนักเรียบร้อยหนาเจียมตนนักเจียมตนหนาใจเย็นนักใจเย็นหนาก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจไม่มากระทบเท่านั้นแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเธอเข้าเมื่อนั้นควรทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้เจียมตนเป็นผู้ใจเย็นจริง ภิกษุที่ทำตนเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจใจเภสัตบริขารเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจใจเภสัตบริขารนั้นก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่าย แต่ภิกษุผู้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทำรรเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนีกอย่างนี้ว่า <S <S เราจากสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทำรรจากเป็นผู้ว่าง่าย <S <S จากถึงความเป็นผู้ว่าง่าย อุบายระ ง, งับความโกรธภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายห้าประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 3. พูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. ีพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ 5. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคําที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคําที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสําเนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจากไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจกอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูรย์เป็นมหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เา่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรสำเนียโด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดิน เขาขุดลงตรงที่นั้นๆโกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นๆบ้วนน้ําลายลงในที่นั้นๆถ่ายปัสสาวะรดลงในที่นั้นๆและผู้สำทับว่าเองอย่าเป็นแผ่นดินเองอย่าเป็นแผ่นดินเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณมิได้เขาจะทำแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายบุรุษนั้นจะต้องได้รับความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากใจเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่หประการนี้คือหนึ่งพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. ง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 เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทำใจให้ว่า พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาเครื่องสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ห้าประการนี้คือหนึ่งพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรละถึงห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 ใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำภิกษุทั้งหลายปรีบเหมือนบุรุษถือคบยาที่ลุกโพลงมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบญยาที่ลุกโพงแล้วนี้เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบญยาที่ลุกโพลงแล้วได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ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 กำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังถ้ามีบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำกระสอบหนังแมวนี้ที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่น ตีไม่มีเสียงตีไม่ดังให้มีเสียงดังกล้องด้วยไม้หรือกระเบื้องเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำกระสอบหนังแมวนี้ที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังให้กลับมีเสียงดังกล้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุไร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 เราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพยบูรณ์เสมอด้วยกระสอบหนังแมวเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมูเ่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนีด้วยอาการดังกล่าวมานี้ วาดอุปมาด้วยเลื่อยภิกษุทั้งหลายหาพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวิวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจร น, นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนีกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผัน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 ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรมนานสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมา ด, ด้วยเลื่อยนี้หนึงน่งเนืองเถิดเธอทั้งหลายเห็นวิธีพูดที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากที่เธอทั้งหลายอดกลั้นไม่ได้หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกล่าบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงมานสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเรื่อยนี้เนืองเนืองเถิดข้อนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตราภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกระจูปะมะสูตรที่หนึ่งจบ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 จนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสา ม, มารถก่ออันตรายแก่ผู้ท่รงเสพได้จริงไหมครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอริ tha ภิกษุผู้มีบรณพบุุษเป็นพรานฆ่านกแรงถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับอริ tha ภิกษุผู้มีบรณพบุุษเป็นพรานฆ่านกแรงดังนี้ว่าท่านอริ t h ได้ทราบว่า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 เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่งเสพได้จริงไม่ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื่องอริ t ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงจากทิฐิชั่วนี้จึงซักไซ่ไล่เลียงสอบสวนด้วยคําพูดว่าท่านอริ t h ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นท่านอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้สศรงเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อและถึงการทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันการทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเคียงหั่นเนื้อกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริ t h ภิกสุถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้แต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอยู่อย่างนั้นว่า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 อริ tha พิสุคัดค้านพระธรรมเมื่อพิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเรื่องอริ tha พิสุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงจากทิฐิชั่วนั้นได้จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่อริ tha พิสุผู้มีบรรพบุรุษ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 จนกระทั่งว่ารำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ชศร้าเสพได้จริงไหมเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้อริธาภิกษุได้พูดกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่ารำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตราย ก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเลื่องอริ t h ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงจากทิฐิชั่วนั้นจึงซักไซยไล่เลี่ยงสอบสวนด้วยคำพูดว่าท่านอริธะท่านจะได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมทั้งหลายที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ทศร้าเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ละถึง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 รมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ทร้งเสพได้จริงไหมเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริ tha ภิกษุจากทิฏฐิชั่วได้จึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า โทษของทิฐิชั่วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกอริ tha ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงมาตามคำของเราว่าท่านอริท h พระาศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วเข้าไปหาอริ t h ภิกษุถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านว่าท่านอริ t h พระาศาสดาตรัสเรียกท่านอริธ h ภิกษุผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรงรับคำแล้วเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับอริ t h ภิกษุผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรงว่าอริ tha ได้ยินว่าทิฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เธอว่า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 เป็นทก่ออันตรายก็หาสามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคาบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครเรากล่าวธรรมที่ขออันตรายว่าเป็นธรรมขออันตรายโดยประการต่างๆมิใช่หรือและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวว่า กามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกการทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันกามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมาการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้น กามทั้งหลายเปลี่ยบเหมือนเขียงหั่นเนื้อกามทั้งหลายเปลี่ยบเหมือนหอกลากามทั้งหลายเปลี่ยบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่โมฆะบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้น จากเป็นไปเพื่อความม่กลคือคูณเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลานานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสังเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรอริ t h ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษรเป็นพรานฆ่านกแรงนี้จะกระทาญานให้สูงส่งในธรรมวิ น, นัยนี้ได้หรือไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงส่งแห่งยานไรๆที่จะพึงมีนั้นจักมีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริ t h ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอริ t ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษ เป็นพรานฆ่านกแรงนั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจึงได้ตรัสกับเธอว่าโมคาบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฐิชั่วของตนเองนี้เราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเร่อกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ เหมือนที่อริราภิกษุผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรงนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นเอ็นมากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคประทับธรรมทั้งหลายที่ก่ออันตรายว่า เป็นทำก่ออันตรายแก่ข่าพระองค์ทั้งหลายโดยประการต่างๆและทำเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่และถึง การทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุทั้งหลายที่เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่เรากล่าวแล้วว่าธรรมทั้งหลายเป็นธรรมก่ออันตรายแกเธอทั้งหลายโดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแกผู้ทรงเสพได้จริงเรากล่าวว่า กามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ละถึงกรามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่เออก็อริธ h ภิกษุผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านกแรงนี้กล่าวตัวเรา ด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เกื่อคูลเพื่อความทุกข์แก่อริ t h โมคบุรุษนั้นตลอดกาลนานภิษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่อริ tha พิษุนั้นจะเสกกามโดยปราศจากกามปราศจากกามสัญญาและปราศจากกา ม, มวิตต เรียนธรรมของโมคคบุรุษภิกษุทั้งหลายโมคคบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา ทมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเปลืองตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกเขาเรียนทำทั้งหลายมาไม่ดีบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะสแสวงหา ง, งูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหางหรือที่หางงูพิษนั้นจะพึงแหวงกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะการถูกกัดนั้นเขาก็จะตายหรือได้รับทุกข์ปางตายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไม่ดีแม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายโมฆาปุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญา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 ธรรมเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมิใช่มุ่งจะเปลืองตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหลากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกเขาเรียนทำทั้งหลายมาดีแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ใดของเราควรทรงจำภาสิทธิ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดเธอทั้งหลายหากจะไม่พึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิท์ใดของเราก็ควรสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดในภาสิทธิ์นั้นเถิด